แนะนำบทอัลอากฟบทนี้เป็นบทมักกิยามีสาสห้าองค์การที่มีเป้าหมายเช่นเดียวกับบทมักกิยาอื่นๆได้เริ่มต้นโดยการกล่าวถึงอัลกุรอานซึ่งถูกประธานลงมาจากอัลลอฮ์ว่าเป็นความจริงกล่าวถึงเจวเวที่พวกมุชริีกีนกราบไหว้บูชาได้ชี้แจงเึ่งการหลงทางและความผิดของพวกเขาในการเคารพสการะ สิ่งที่มันไม่ได้ยินและไม่ได้ให้ประโยชน์อันใดใ้กล่าวถึงความสงสัยของพวกมุสรินเกี่ยวกับอัลกุรอานโดยได้ตอบโต้ความสงสัยนั้นด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งและข้อพิสูจน์ต่างๆบทนี้ได้กล่าวถึงตัวอย่างสองแบบของมนุษย์ที่อยู่ในทางนำและการหลงทางโดยกล่าวถึงตัวอย่างของลูกที่ดีที่อยู่ในแนวทางของธรรมชาติ จงรักพักดีต่อบิดามารดาเมื่อเขาได้เติบโตขึ้นและมีอายุมากขึ้นเขาก็ได้เพิ่มความยำเกรงและทำความดีต่อบิดามารดาของเขามากยิ่งขึ้นอีกตัวอย่างหนึ่งของลูกที่เลวสามหันเหออกจากแนวทางของธรรมชาติซึ่งเขาเย่อหยันและเหยียดหยามต่อการศรัทธาการฟื้นคืนชีพและการชุมนุมในวันกิยามะ บทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องนบีฮูดอะไยฮิสลาหกับกลุ่มชนอารซึ่งแสดงความโอหังตามหัวเมืองต่างๆที่มีกำลังแข็งแรงแต่ผลสุดท้ายของพวกเขาถูกทำลายล้างด้วยลมพายุพัดกระหน่ำอย่างหุนแรงทั้งนี้เพื่อเป็นการเตือนพวกปฏิเสธชาวกูเรชให้ระมัดระวังความเกลียดกราดและความหยิ่งยโสโอหังต่อข้อชายข้อห้ามของอัลลอ และการที่พวกเขาปฏิเสธต่อท่านรอซูลุลลอสสล ล, ลหัวลายหัวสลับบทนี้ได้จบลงด้วยเรื่องของพวกยินจำนวนหนึง่งซึ่งได้มาฟังการอ่านอัลกุรอานและพวกเขาก็ศรัทธาและได้กลับไปเตือนกลุ่มชนของพวกเขาเรียกร้องเชิญชวนไปสู่การศรัทธาท่านี้เป็นการเตือนมนุษย์ผู้ดื้อรั้นให้ตระหนักถึงการนำหน้าของพวกยินก่อนพวกเขาในการเข้ารับนับถืออิสลาม บทอัลอา์กอฟถูกขนานนามเช่นนี้เพราะว่าอัลอา์กอฟเป็นสถานที่ของกลุ่มชนอาดซึ่งอัลลอฮ์ทรงทำลายล้างพวกเขาอันเนื่องจากความดื้อนดนึงยะโสโอหังที่พำนักของพวกเขาอยู่ที่เมืองอัลอา์กอฟในประเทศเยเมน ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอฮามีมฮามีมคำพิน์นี้ได้ถูกประทานลงมาจากอัลลอ์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ เราไม่ได้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองเพื่ออื่นใดเว้นแต่ด้วยความจริงและตามวาระที่ได้ถูกกำหนดไว้ ถตบรรดาผู้ปฏิเสธศรัตนั้นเป็นผู้ผินหลังให้จากสิ่งที่พวกเขาถูกตักเตือน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือสิ่งที่พวกเจ้าวิงวอนขออื่นจากอองลอจงแสดงให้ข้าเห็นสิว่าพวกมันได้สร้างอะไรในแผ่นดินนี้บ้าง หรือว่าพวกมันมีส่วนร่วมในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าจงนำบรรดาคำพีก่อนหน้านี้มาให้ข้าดูสิหรือจงแสดงร่องรอยแห่งความรู้ที่เป็นหลักฐานยืนยันในการนี้หาพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง และใครเล่าจะหลงทางมากไปกว่าผู้ที่วิงวอนขออื่นจากอัลลอฮที่มันจะไม่ตอบรับการวิงวอนของเขาจงกระทั่งถึงวันเกียร์มและพวกมันเฉยเมอต่อการวิงวรนขอของพวกเขา และเมื่อมนุษย์ถูกให้มาชุมนุมกันพวกมันก็จะเป็นศัตรูกับพวกเขาและจะเป็นผู้ปฏิเสธการเคารบบูชาของพวกเขาด้วย และเมื่องค์การต่างๆอันชัดแจ้งของเราถูกสาธยายแก่พวกเขาบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวเกี่ยวกับสัจธรรมอัลกุรอานที่ได้มาอย่างพวกเขาว่านี่คือมายากลอย่างชัดแจ้ง أم يقول نفته قل إن افترئته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفطن فيه كفاه شهدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم หรือพวกเขากล่าวว่าเขามไดปั้นแต่งอัลกุรอานนั้นจงกล่าวเถิดม u h a ม m a ว่าถ้าฉันได้ปั้นแต่งอัลกุรอานขึ้นพวกเจ้าก็จะไม่มีอำนาจอันใดที่จะช่วยเหลือฉันให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ได้พระองค์ทรงรู้ดีในสิ่งที่พวกเจ้ากําลังยุ่งอยู่ในเรื่องนี้พอเพียงแล้วที่พระองค์จะทรงเป็นพยานระหว่างฉันกับพวกเจ้าโดยที่พระองค์เป็นผู้ทรงอภยัยผู้ทรงเมตตาเสมอ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าฉันไม่ได้เป็นคนแรกในบรรดารอซูลและฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแก่ฉันและแก่พวกเจ้า ฉันไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งใดนอกจากสิ่งที่ถูกองค์การแก่ฉันและฉันไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นผู้ตักเตือนอันชัดแจ้ง จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าถ้าอัลกุรอานมาจากอัลลอฮ์และพวกเจ้าปฏิเสธมันทั้งๆ ท, ที่พยานคนหนึ่งจากวงวานของอิสราเอลเป็นพยานต่อลักษณะเช่นเดียวกันกับคัมภี์เตารถแล้วเขาก็ศรัทธาแต่พวกเขายังหยิ่งยะโสถ้าจริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงให้ทางนำแก่กลุ่มชนผู้อาธรรม ا إ ق ق และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่าหากอัลกุรอานนี้มีความดีพวกเขาผู้ศรัทธาก็จะไม่รุดหน้าไปก่อนเราเป็นแน่ และโดยที่พวกเขาพวกปฏิเสธศรัทธาไม่ได้รับการที่แน่ด้วยอัลกุรอานดัง น, นั้นพวกเขาจึงกล่าวว่านี่คือการโกหกเดิมๆนั่นแหละ แต่ก่อนหน้าอัลกุรอานนี้มีคำพีของมูซาเป็นแบบอย่างและมีความเมตตาและนี่คืออัลกุรอานแต่เป็นคำพีที่ยืนยันเป็นภาษาอาหรับเพื่อตักเตือนบรรดาผู้ทำความผิดและเป็นข่าวดีแก่บรรดาผู้กระทำความดีทั้งหลายอินนัลเดีนากาลูรับบุนลลอฮุุมมสตคามูลาุอลิมวะลาุมยัฮนู ถ้าจิงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอัลลอฮ์คือพระผู้อภิบาลของพวกเราแล้วพวกเขาก็ยืนหยัดตามคำกล่าวนั้นจะไม่มีความหวาดกลัวใดๆแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะไม่เสียใจ อ, ลลอบ ชนเหล่านั้นคือชาวสวรรค์โดยที่พวกเขาจะพมนักอยู่ในนั้นตลอดกาลนั่นเป็นการตอบแทนตามที่พวกเขาได้กระทำไ ว, ว้ حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل ص ا ل ح ا ت ر ض ا ه และเราได้สั่งเสียมนุษย์ให้กระทํำดีต่อบิดามารดาของเขามารดาของเขาได้อุ้มคันเขาด้วยความเหนื่อยยากและได้คลอดเขาด้วยความยากลําบากและได้อุ้มคันเขาและการหย่านมเขาในระยะ30เดือน จนกระทั่งเมื่อเขาบรรลุวัยหนุ่มชะกันและมีอายุถึงสี่สิบปีเขาจะกล่าววิงวอนว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงโปรดประทานให้แก่ฉันเพื่อให้ฉันขอบคุณต่อความโปรโดปรานของพระองค์ท่านซึ่งพระองค์ได้ทรงโปรโดปรานแก่ฉันและบินดามารดาของฉันและให้ฉันกระทำความดีเพื่อให้พระองค์ท่านทรงพอพระทัยแก่ฉัน และสรงให้ความดีเกิดขึ้นแก่ลูกหลานของฉันแท้จริงฉันขอกลับตัวต่อพระองค์ท่านและแท้จริงฉันอยู่ในหมู่ผู้นอบน้อมอ ชนเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่เราจะรับส่วนดียิ่งจากพวกเขาซึ่งพวกเขาได้ปฏิบัติไว้และเราจะผ่อนผันความผิดต่างๆของพวกเขาโดยอยู่ร่วมกับชาวสวรรค์เป็นสัญญาแห่งความจริงซึ่งพวกเขาได้ถูกสัญญาไว้ والذي َِّ قال َ لوالديه ََِِِْ أُفِلَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ا ل ْ ق ُ ر ُ و ن ُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثانِ اللَّهِ وَهُمَا ي َ س ْ ت َ غ َِ ث ا ن ِ اللَّهِ وَإِلَكَ آمِنٍ إ ِ ن َ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ลาบุดิกล่าวแกบิดามารดาของเขาว่าอุ๊บแก่ท่านทั้งสองท่านทั้งสองขู่ฉันว่าฉันจะถูกให้ออกมาฟื้นคืนชีพอีกกระนั้นหรือทั้งทั้งที่หลายศตวตรรษก่อนหน้าฉันได้ล่วงลับไปแล้วและเขาทั้งสองร้องขอความช่วยเหลือต่อหรอพลางกล่าวแก่ลูกว่า ความหายยะนะจงประสบแก่เจ้าจงศรัทธาเถอะแท้จริงสัญญาของอัลลอฮ์นั้นเป็นความจริงแล้วเขาก็พูดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นนิยายสมัยโบราณเท่านั้นออิกยบน ชนเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่พระราชรัตแห่งการลงโทษเป็นที่คู่ควรแก่พวกเขาที่จะเข้าร่วมกับหมู่ชนต่างๆแห่งพวกยินและมนุษย์ที่ได้ล่วงลับไปก่อนพวกเขาแล้วแท้จริงพวกเขาเป็นผู้ขาดทุน และสำหรับทุกกลุ่มย่อมมีลำดับขั้นตามที่พวกเขาได้กระทำไว้และพระองค์จะทรงตอบแทนพวกเขาอย่างครบถ้วนตามผลงานของพวกเขาโดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอายุติธรรมเลย وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَدُ تُطِيبَاتٍ ِ ك ُ فِي حَيَاتِكُمُ ا ل د ُّ ن ْ ي َ ا و َ ا س ْ ت َ م ْ س َ ع ْ ت ُ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُنِ و بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ แล้ววันที่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะถูกนำมาอยู่ต่อหน้าไฟนรกจะมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าได้เอาสิ่งดีงามของพวกเจ้าในการดำรงชีวิตของพวกเจ้าอยู่ในโลกนี้ไปและพวกเจ้าได้มีความสำราญกับมันแล้วฉะนั้นวันนี้พวกเจ้าจะรับการตอบแทนด้วยการลงโทษอันอับยศนึ่งโดยพวกเจ้ายิงยโสในแผ่นดิน โดยปราศจากความเป็นธรรมและเนื่งด้วยพวกเจ้าทำชั่ว อินนจงรำลึกถึงหุดพี่น้องคนหนึ่งของเผ่าอาตขณะที่เขาเตือนกลุ่มชนของเขาที่เนินเขาอาหกอฟและแน่นอนบรรดาผู้ตักเตือนรอศูน์ก่อนหน้าเขาและบรรดาหลังเขาได้กล่าวเตือนว่าพวกเจ้าอย่าได้เคารพพักดีผู้ใ ด, ดนอกจากเอ๋อหลอ ถ้าจริงฉันกลัวแทนพวกเจ้าถึงการลงโทษแห่งวันอันยิ่งใหญ่พวกเขากล่าวว่าท่านมาหาพวกเราเพื่อจะหันเหพวกเราออกจากการเคารพภักดีพระเจ้าทั้งหลายของเรากระนั้นหรือ ดังนั้นจงนำการลงโทษตามที่ท่านได้สัญญากับเราไว้หากท่านอยู่ในหมู่ผู้พูดจริเขาหูดกล่าวว่าแท้จริงความรู้เรื่องการลงโทษนั้นอยู่ที่อัลลอฮ์ และฉันขอประกาศแก่พวกเจ้าตามที่ฉันได้ถูกส่งมาเพื่อการนี้แต่ฉันเห็นว่าพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนผู้โง่เขลาแล้วเาหอาตของตาบอกวาตทตาบราะกลัวกาอลี ครั้นเมื่อพวกเขาเห็นเมฆทึบเคลื่อนมาอย่างที่ราบลุ่มในหมู่บ้านของพวกเขาพวกเขากล่าวว่านี่คือเมฆที่จะให้น้ำฝนแก่เราเปล่าเลยมันคือสิ่งที่พวกเจ้าเร่งขอให้เกิดมันคือลมพายุในนั้นมีการลงโทษอันเจ็บปวดุกบบบอลซ มันจะทำลายทุกสิ่งตามพระบัญชาของพระผู้บานาของมันและพวกเขาก็กลายเป็นไม่มีอะไรให้แลเห็นนอกจากบ้านพักอาศัยของพวกเขาเท่านั้นเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนกลุ่มชนผู้กระทำผิด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 และโดยแน่นอนเราได้ตั้งหลักแหล่งที่มั่นคงแก่พวกเขาโดยที่เราไม่ได้ตั้งหลักแหล่งที่มั่นคงแก่พวกเจ้าไหนนั้นและเราได้ทำให้พวกเขามีหูมีตาและก็มีหัวใจแต่ว่าหูตาและหัวใจของพวกเขาไม่ได้อำนวยประโยชน์อันใดแก่พวกเขาโดยที่พวกเขาปฏิเสธองค์การต่างๆของลอและสิ่งที่พวกเขาได้เคยย่เยเยไว้นั้นก็หอมล้อมพวกเขา حَوْنَكُمْ และโดยแน่นอนเราได้ทำลายหมู่บ้านที่อยู่รอบๆพวกเจ้าและเราได้แจกแจงสัญญาณต่างๆหลายครั้งหวังว่าพวกเขาจะกลับมาสำนึกผิด نَصْرَهُمُ اللَّهِ บต่หลลวงพวกเขะนั่นคือิฟกุมแะ่ทาตทำไมบรรดาที่พวกเขายึดถือมันเป็นพระเจ้าอื่นจากอัลลอ์เพื่อความใกล้ชิดกับพระองค์จึงไม่ช่วยเหลือพวกเขาเล่าแต่พวกมันได้หายสาบสูญไปจากพวกเขาและนั่นคือการกล่าวเท็จของพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาปั้นแต่งขึ้น حَضَرُوْهُ และจงรำลึกถึงเมื่อเราได้ให้ยินจำนวนหนึ่งมุ่งไปอย่างพวกเจ้าเพื่อฟังอัลกุรอาน ครั้เมื่อพวกเขามาปรากฏตัวต่อหน้าอัลกุรอานพวกเขากล่าวว่าจงนั่งฟังสิเมื่อการอ่านจบลงแล้วพวกเขาก็หันหลังกลับไปยังกลุ่มชนของพวกเขาเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตักเตือนอบบ คิตาบนอุนธิลมินบ่าดมูสาม ص ดิกันลิมาใบในยัดัยยะหดีอิลัลฮักติวะอิลาตรีกิมมุสตกีมเพราเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของเราแท้จริงเราได้ฟังคำภี่อัลกุรานถูกประทานลงมาหลังจากมูสาเป็นการยืนยันในสิ่งที่มาก่อนอัลกุราณเพื่อชี้แนะทางไปสู่สัจธรรม และแนวทางที่เที่ยงตรงโอ้กลุ่มชนของเราจงตอบรับตอบผู้เรียกร้องของอัลลอเถอะและจงศรัทธาต่อเขาพระองค์จะทรงอภัยความผิดของพวกเจ้าให้แก่พวกเจ้า และจะสรงให้พวกเจ้ารอดพ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวดและผู้ใดที่ไม่ตอบรับข้อเรียกร้องของอัลลอฮเขาจะไม่รอดพ้นจากการลงโทษในแผ่นดินนี้ และสำหรับพวกเขาจะไม่มีผู้คุ้มครองอื่นจากพระองค์ชนเหล่านี้อยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้ง และพวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าถ้าจริง a ละ a ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนี้และม่ทรงอ่อนเพลียต่อการส ร, าสร้างสิ่งเหล่านั้นย่อมทรงเป็นผู้สามารถที่จะให้คนตายมีชีวิตขึ้นใหม่แน่นอนแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง ب ب แล้ววันซึ่งบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะถูกนำมาอยู่ต่อหน้าไฟนรกจะมีเสียงกล่าวขึ้นว่านี่ไม่ใช่ความจริงดอกหรือพวกเขากล่าวว่าแน่นอนครับขอสบานต่อพระผู้อภิบาลของเรา พระองค์ตรัสว่าดังนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษ ต, ตามที่พวกเจ้าได้ปฏิเสธศรัทธาทับิดกแม้บะอดนุล عزم من الرسل ولا تستعجل لهم ك أ น ه م ย و م ي ر و น ما يوعدون لم يلبثوا إلا س ا ع ม من น ل ن า ا ر ลา ดังนั้นเจ้าจงอดทนดังเช่นบรรดาผู้ตั้งจิตมั่นจากรอซูลทั้งหลายได้อดทนมาก่อนแล้วและอย่ารีบเร่งให้มีการลงโทษแก่พวกเขาวันที่พวกเขาจะเห็นสิ่งที่ถูกสัญญาไว้แก่พวกเขานั้นประหนึ่งว่าพวกเขาไม่ได้พำนักอยู่ในโลกนี้ เว้นแต่เพียงช่วงครู่หนึ่งของกลางวันเท่านั้นนี่คือคำประกาศตักเตือนดังนั้นความหหยาณะจะไม่ประสบแก่ผู้ใดนอกจากกลุ่มชนผู้ฝ่าฝืนเท่านั้นแนะนำบทมุฮัมมัดบทมุฮัมมัดเป็นบทมดานียะมี38มสิองค์การซึ่งให้ความสำคัญในการตราบทบัญญัติเช่นเดียวกับบทมดานียะอื่นๆ สำหรับบทนี้ได้กล่าวถึงบทบัญญัติแห่งการสู้รบเฉลยทรัพย์สินเฉลยและสภาพของมูนาฟิกีนแต่ที่สําคัญที่บทนี้กล่าวถึงก็คือเรื่องการต่อสู้ดิ้นรนในหุนทางของลอบทได้เริ่มต้นด้วยการเริ่มต้นที่ประหลาดคือประกาศสงครามอย่างเปิดเผยกับศัตรูของอลอและศัตรูของรอซูลซึ่งพวกเขาได้ทําสงครามกับอิสลาม โดยปฏิเสธท่านรอซูลยืนยัดขัดขวางต่อต้านการเผยแพร่ของมูฮัมหมัดเพื่อกีดกันมวลชนไม่ให้เข้ารับนับถือาศาสนาอิสลามบทได้ใช้บรรดาผู้ศรัทธาสู้รบกับพวกปฏิเสธศรัทธาเพื่อกวาดล้างแผ่นดินให้บริสุทธิ์จากความโสกปรกของพวกเขาจนกว่าจะไม่มีเส้นหนามและพลังเหลืออยู่สําหรับพวกเขาต่อมาบทนี้ได้ชี้แจงถึงแนวทางแห่งเกียรติยศและชัยชนะ และได้วางเงื่อนไขในการช่วยเหลือของอัลลอ์ต่อปวงบ่าวของพรุลงที่เป็นผู้ศรัทธาท้งนี้โดยการยึดมั่นต่อบทบัญญัติของพร้ลงและสนับสนุนาศาสนาของพรุลงบทได้กล่าวถึงรายละเอียดและลักษณะของพวกมูนาฟิิโดยถือว่าพวกเขาเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่ออิสลามและมุสลิม และได้เปิดโปงถึงความชั่วและความน่าละอายของพวกเขาเพื่อเตือนมนุษย์ให้รู้ถึงกลอุบายและความชั่วร้ายของพวกเขาบทได้จบลงด้วยการเรียกร้องเชิญชวนบรรดาผู้ศรัทธาให้เจริญรอยตามแนวทางแห่งความมีเกียรติและชัยชนะโดยการต่อสู้ดิน้นรนในทางของอัลลอฮ์และไม่ได้อ่อนแอต่อพลังความชั่วและความยุติธรรม และเตือนไม่ให้มีการเรียกร้องไปสู่การปารณีประนอมกับเหล่าศัตรูเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งการมีชีวิตอยู่ต่อไปเพราะการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ย่อมสูญสลายและจบสิน้นและสิ่งที่มีอยู่ที่อัลลอฮ น, นั้นเป็นความดีสาหรับคนดีทั้งหลายเช่นนี้แหละบทนี้ได้จบลงด้วยการเรียกร้องไปสู่การต่อสู้ดิ้นรนเช่นเดียวกับได้เริ่มบทไปสู่การนี้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพเป็นการผลักดันความปรารถนาแรงกล้าของบรรดาผู้ศรัทธาและเพื่อให้ตอนต้นกับตอนจบสอดคล้องกันอย่างแนบเนียนและรัดกุมเป็นที่สุด